ปฏิบัติดีได้ดีปฏิบัติไม่ดีชิบหายมีผู้กราบเรียนถามหลวงพ่อว่าผู้ที่ไปจำศีลในวัดแต่ไปนินทากันเขาไปจำศีลหรือไปนินทากันแน่มันก็เหมือนกันกันกบพวกบวชนี่แหละพวกจำศีลกับนักบวชในวัดก็เหมือนกันหมอหนึ่ง บวชเข้ามาแล้วก็มาศึกษาธรรมวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยินดีในปัจจัยสี่ที่ทายกทายิกาเขามีศรัทธาถวายไปบินธบาตรเขาใส่บาตรให้ฉันวันละอิ่มก็พอแล้วสบงจีวรขาดเขาศรัทธาหามาถวายพอได้ใช้ที่อยู่ไม่มีเขามาปลูกกระท่อมให้อยู่ยาแก้โรคไม่มีเวลาเจ็บป่วยเขาก็มาลากไปเข้าโรงพยาบาล หากว่านักบวชทั้งหลายยินดีในปัจจัยสี่ตามมีตามได้ไม่ต้องไปกระเสือกกระสนดิ้นรนอะไรให้มากนักฉันจะอยู่ที่ตรงนี้ที่โคนต้นไม้ต้นนี้ปักกลดนอนตากแดดตากฝนอยู่นั่นลองดูสิรับรองว่าไม่เกินสามเดือนต้องมีคนมาสร้างกุฏิให้อยู่แต่เนี่ยแกไม่จริงเซนิไปบินบังสังสวดไม่ทันใจกูซื้อหวยเบอร์เอา รวยเร็วลงผลสุดท้ายชิบหาย